พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าเตือนลูกเตือนหลานโยมตัแกล้านมันเป็นหวาเอ หลวงพ่อในอายุเจ็ดสิบเดือนเมษาวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่สิอเอินซื่อหลวงหลวงพ่อว่าจะไหนน้อกถาะนะหลวงพ่อว่าจะให้เอินแนะล้วหลวงหลวงปู่หลวงตาจะเอินนลงพี่ว <laughs> <laughs> เนาวอ่ะอย่างเงี้มลูกหลาน การเอินหลงปูหลงตามันจะแกไปหนาจิเฉินกับยอนขึ้นหลังเฉินจะเอินหลงพี่นาะขั้เอินหลงตามันก็นจซีซอนกะหลงตาบ้านตัเฉินเอินอ่นาจังไหนขึ้นยากยั่ได้เนาะเอินหลงปูก็แล้วกันนะลูกหลานมัเข้าเ่าเลยเด้เฮ็ดจังเลย หลวงปู่หลวงตาแล้วทุกเรื่องจะเอื่นแต่หลวงหลวงพ่อเอื่นหลวงปู่จามหนึ่งหลงพ่อยังเอิ่นหลวงอาเลยแต่กถ้าเอื่นทั่วไปก็เอื่นหลวงปู่เถอะนะวะถ้ากันเอื่นตามตามซั์แท้ๆตามวงสาคนาญาติก็เรียกหลวงอานะพระท่านเป็นน้องน้องชายของโยมพ่อ น้องชายของยมพ่อจะเป็นเรียกลงปู่ได้ย mm. ังไงใช่ไหมปู่ได้ย uh ังไงใช่ต้องเรียกอาเป็นน้องชายของพ่อต้องเรียกอาน้องชายของแม่เรียกน้าวันนี้เป็นวันที่10เมษายนพุทธศักราช2 5งพเมื่อก่อนหน้านี้ท่านนายอำเภอให้ วัฒนธรรมอำเภอเข้ามาในมณลหลวงพ่อว่าวันที่สิบจะข อ, อมุดน้ำรำหัวตามประเพณีพรานั้นหลวงพ่อก็อรับในมนล อ, อนุญาตเพราะนั้นวันนี้เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราคงจะออกไปที่ศาลาใหญ่ศ า, าลาพระพุทธอุร ม, มงคลคสองแล้วก็ พวกเราก็คงจะเริ่มพิธีอันใดแพรกก็ไหว้พระไหว้พระสมาทานศีลเมื่อไหว้พระสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำส่งน้ําพระพุทธปฏิมาก่อนเมื่อส่งน้ําพระพุทธปฏิมาแล้วก็จะส่งน้ําพระอครสาวกโมกคราสารีบุตรทั้งสองซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า จากนั้นพวกเราพี่น้องสาธุชนทุกหมู่เหล่าก็ควรจะสวดอิติปิโสนะสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันสมจบนะอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาฮะสวขาโตสุปฏิปโนสามจบนะจากนั้นก็พวกเราจะทำคารวะพระพุทธปฏิมา พ, พระัตนไรรันตนใจเยประมาเทนะรันตนตเยก็แปลและความหมายว่าข้าพเจ้าขอคาระวะพระรัตนไรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโปรดเมตตาโหสิให้กับพวกเราพุทธบริษัทด้วยจากนั้นก็ คงจะมีการถวายน้ำหรือสงน้ำหลวงพ่อหลวงพ่อคงจะไม่ให้สงทุกคนคงจะมีตัวแทนของกลุ่มหรือตัวแทนทั้งหมดคือนันทานายอาเภอนำมารวมกันแล้วก็สงน้ำเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็คงจะแจกของทีละลึกบ้างอย่างทุกปีที่ผ่านผ่านมาเพราะนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทุกมู่เล่า บอกต่อกันไปด้วยว่าวันนี้จะมีพิธีกรรมอย่างไรแต่เช้าวันนี้พวกคณะสัายาติโยมในท้องถิ่นก็ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วถวายพระทหารพระสงฆ์แต่หลวงพ่อเองก็อยากจะกล่าวย้ำเตือนแปบแก่ลูกหลานสัายาติโยมในท้องถิ่นที่เป็นลูกเป็นหลานที่ใกล้ชิดหลวงพ่ออยู่ในละแวกนี้นะ นานๆทีพวกเราจะได้มาพบมาเจอหลวงพ่อถึงจะอยู่ใกล้แต่พวกเราก็มีภารกิจธุรกิจการทำนานทำรัว้วทำสวนยิ่งทุกวันในสวนยางก็ยิ่งภาระมีภาระามากจะต้องอกรีดยางกลางกลางคืนกลางวันกเ็เป็นเวลาพักผ่อนอีกต่างหากเพราะนั้นาภาระของเรารัดตัวพเพราะเศรษฐกิจ การครองชีพของพวกเราเมีมากเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลเป็นวันปีใหม่ไทยเพราะนั้นคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกหุ่มทุกเหล่าได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อกกอดที่จะย้ำเตือนไม่ไดเ้เพราะว่าพวกเราอยู่ในชุมชนอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าสุข ก, ก็สุขด้วยถ้าทุกข์ก็ทุกข์ด้วย ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะเถื่อนกันไปหมดเพราะเราอยู่ในชุมชนเดียวกันเพราะนั้นขอบอกกล่าวพวกเราท่านทัน้งหลายอันดับแรกก็คือให้รู้จักสัมมาคารวะให้รู้จักสูงรู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักผู้สูงอายุไวยวศคุนวศแล้วก็คุณพคุณของบิดามารดาคือพ่อแม่ของตนเอง ใหญ่ปล่อยป่าละเลยถึงจะไปทํามาค้าขายจะไปเหนือไปใต้ไปที่ไหนก็ตามแต่ถึงยังไงก็อย่าลืมพระคุณของท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามานี่วันสงกรานก็ดีวันปีใหม่ก็ดีหลวงพ่อจะย้ําเตือนลูกน้องลูกหลานทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้วกับปีหนึ่งก็มีการย้ําเตือนสองครั้งคือวันปีใหม่ไทยคือวันวันที่หนึ่งม ก, กรา และกัวันสงกรานต์วันที่13 เ, เมษาแต่วันนี้ก็หลวงพ่อได้เตือนก่อนเพราะเหตุไรเพราะว่าวันที่13ลูกหลานทั้งหลายคงจะไม่ได้เข้ามาคารวะเพราะได้มาเข้ามาแล้วเพราะนันหลวงพ่อจึงถือโอกาสนี้บอกกล่าวลูกหลานทุกคนให้สำนึกไว้อยู่เสมอว่าเราเกิดมาจากใคร เ, เราเกิดมาจากที่ไหนใครเป็นผู้เลี้ยงดูเรา เราก่อนที่จะใหญ่มาขนาดนี้ใครเป็นผู้อุปถัมภ์ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเร า, เาให้นึกย้อนหลังไปดูสิถ้าหลวงพ่อเนี่ยอายุเจปีเิบปเมษาที่จะถึงหลวงพ่อก็อ่นึกย้อนไปถึงที่หลวงพ่อเกิดมาตั้งแต่แรกที่อยู่กับพ่อแม่ที่ยังไม่รู้เดียงสาภาวะกับพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราจากนั้นก็พี่น้องทั้งหลาย เป็นผู้ประครบประงมช่วยพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราลำลึกถึงพระคุณเหล่านั้นถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเรามาเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ไหมถ้าว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเราไม่ดีปล่อยปละละเลยต่อยให้ร้องให้ชักติ้นชักง อ, อ, อผลในสุกันน่นะสมอง ตายไปหมดเหมือนกับคนที่มันชักนะผลในสุขเป็นโง่เง่ า, งาเตาตุนอันนี้พ่อแม่ของเราประครบประงมถ้าเขาว่าลูกของตัวเองเป็นไข้ทั้งพ่อทั้งแม่นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะเหตุใดเพราะว่าลูกตัวเองป่วยในขณะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเาว่ามีลูกขึ้นมาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็คว ร, ค, วรคงจะสํานึกได้ว่า เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเราตั้งแต่เราเกิดคงไม่แพ้กันที่พวกเราเลี้ยงดูลูกของเราเรารักขนาดไหนที่เรารักลูกของเราพ่อแม่ก็รักเราเหมือนนั่นละ่ะไม่แพ้กันเพราะสรตวสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหมูหมา ก, กาไก่แม่ของมันก็ต้องรักลูกของมันมนุษย์ก็เหมือนกันต้องรักลูกของตัวเองเพราะนั้นพวกเราให้ซ้ำนึกไว้อยู่ เสมอว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านเข่าแกชา่ชราท่านช่วยตนเองไม่ได้พวกเราจะปล่อยปลาละเลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าไม่ใช่หน้าที่ของบุตรธิดาอย่างนั้นไม่ใช่นะพวกเราให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นบุตรธิดาบุตรก็คือผู้ชายธิดาก็คือผู้หญิงเป็นหน้าที่ของลูก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 ช่วยกันดูแลพ่อแม่ของตนเองถึงพ่อแม่จะล่วงลับดับขันไปตายไปผลง่ายๆกันยังเป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจดฝ่าเท้าเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นพวกเราจึงเอาร่างกายของเราไปทรมาค้าขายเมื่อได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ของพวกเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามในจุดนี้ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติตนดีเคารพในบรรพบุรุษของตนเองบุพการีของตนเองพวกเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุขลูกของเราก็ดีจะเดินตามแนวแถวของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรา ทำตัวไม่ดีดูถูกเหยียดย้มพ่อแม่โกรธให้พ่อแม่ว่าพ่อแม่รักคนนั้นไม่รักครอบครัวของเราไม่รักเราจากนั้นก็พูดให้ลูกตัวเองฟังผลในสุดต่อไปภายภาคหน้าเมื่อลูกของเราใหญ่ขึ้นมาเขาก็ออกไปอีกเขาก็พูดอย่างที่เราพูดให้เขาฟังนั่นะเขาก็ดูถูกพ่อแม่อีกอย่างเก่า พอเหตุไรเพราะว่าตัวเองทําไม่ดีกับพ่อแม่กรรมเหล่านี้เขาว่ากรรมเหล่านี้มันจะไม่ไปไหนมันจะท้อนย้อนกลับมาหาตนเองทํากรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบทำคําสอนของพระพุทธทเจ้าสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดไว้ในใจเสมอบุพการีคือใคร บุคคลผู้มีอุปการะก่อนแล้วพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาอย่างไรต่อผู้มีอุปการะคุณท่านเหล่านั้นทั้งพ่อแม่เหล่านั้นทั้งพอ่อทั้งแม่ของพวกเราเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องนึกคิดช่วยกันถ้ามีผู้ใดในพ่อแม่มีลูกสี่ห้าหกคนหรือน้อยกว่าก็ต้องมีฐานะต้องแตกต่างกัน หรือจะมีฐานะเท่าเทียมกันแต่ถึงยังไงผู้มีฐานะดีกว่าก็ต้องช่วยกันออกทุนทรัพย์ว่าพ่อแม่ของเราขาดเหลือขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเป็นหน้าที่ของพวกเราจะเฉลี่ยกันแชร์กันเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายแต่ถ้าหาว่าพ่อแม่ของเราล่ำรวยอยู่แล้วมีความสุขกายสบายใจอยู่แล้วพวกเราเกิดมา เราก็ให้ล้ำลึกถึงมีความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีเวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยในเมื่อพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านต้องการกําลังใจจากพวกลูกๆร้านนานเพราะนั้นพวกเราก็ควรจะเข้าไปแสดงความกตัญญูกตเวทีตายช่วยกันคิดช่วยกันจัดการในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของพ่อแม่นี่แหละอันนี้คือบุตรที่ดีถ้าผู้ใดก็ตามบุตรผู้ใดก็ตาม บุตรธิดาคนใดก็ตามถ้าเป็นผู้มีปัญญาต้องล้ำลึกถึงพระคุณของแม่ของพ่อของแม่ได้มากนะเพราะว่าคิดขึ้นเมื่อเมื่อไหร่โอ้พระคุณของพ่อของแม่เหลือล้นคาลนาแต่ถ้าว่าลูกโง่เสียอย่างเดียวท่นนะ่ะทางโง่คิดไม่ออกนะมีที่มีแต่คิดอยากจะให้อยากจะได้จากพ่อจากแม่เท่านั้นละ่ะไม่คิดที่จะทดแทนพระคุณของท่านอันนี้แปลว่าลูกโง่ ถ้าใครก็ตามท่านได้ลูกขึ้นมาแล้วต้องพยายามแนะนำสั่งสอนให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมท่านลูกฉลาดแล้วนะลูกจะระลึกถึงพ่อคุณถ้าลูกของเราโง่เง่ า, งาเต่าตุน่นยิ่งมีสันดอนสันดานมาจากอดีตชาติาด้วยแล้วนะ เ, เข้ามาอีกนะอจะระลึกถึงพ่อคุณของพ่อของแม่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่ า, ามีแต่คิดอยากจะได้อย่างเดียว เพอๆยังดูถูกพ่อแม่อีกต่างหากทำทำไมทำให้เราเกิดทำไมเกิดแล้วทำไมไม่เลี้ยงดูเราทำไมไม่หาเงินคำทรัพย์สมบัติให้เรากับเหมือนกับคนอื่นๆเขาพ่อแม่อย่างนี้ไม่ใช่พ่อแม่ของขาอจะมาดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของตนเองเอกเอกีเอกนะเพราะอะไรเพราะว่าลูกโง่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องถ้าหากว่าได้ลูกฉลาด เราก็ดีใจไปแต่ถ้าเราได้ลูกโง่เง่าเตาตุน่นก็จะไปดันทหลังจะไปรักเขาเกินไปก็ต้องทำใจของตนเองเหมือนกันนะถ้าพ่อแม่ฉลาดนะถ้าพ่อแม่ฉลาดก็ต้องทำทาใจของของตัวเองนะโอ้กรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูฮะต้องบริกรรมอย่างนั้นฮะก็จะได้สบายใจจากนั้นก็หันหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมทสู่ศีลสู่ธรรมคืออะไรเราเกิดมาคนเดียว เราจะหาใครมาช่วยเราได้กรรมมุนินาวัตตีโลกโกสัตว์โลกจ้องเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้หนอในอดีตเราจึงได้มาพบมาเจออย่างนี้ต่ อ, ตอ น, นี้ไปข้าพเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีจะไม่พูดสิ่งที่คิดข้าพเจ้าจะไม่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว ข้าพเจ้าจะคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นนะจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีทําใจให้สบายบายทําใจให้เป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวเองทําสิ่งไหนไว้ตนเองจะต้องได้รับกรรมที่ตนได้กระทําไว้เพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ สร้างแต่คุณงามความดีสังสมบุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ทานาเรามีของน้อยเราก็อืเอเอาทุกวันพระถ้า ม, มีพระอยู่ในบ้านเราก็พยายามใส่บาตรทุกวันพระได้ไหมหรือทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เราว่างจากงานทำบุญทำทานให้มีทานะคือมีทานจากนั้นก็มีการเสียสละต่อชุมชนที่จะทาขึ้นมาได้อันนี้คือทานะ ศีลคือรักษากายวาจะให้เรียบร้อยเอาเถอะข้าพเจ้าเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะไม่คิดฆ่าใครอื่นข้าพเจ้าจะไม่ขโมยของคนอื่นข้าพเจ้าจะเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาของคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ดื่มชุรา ของมึนเมาคัญชายาฟิน่นเฮโรอีนยาบ้ายามะยาไอ้ยาอะไรก็ตามท่านเสพแลดื่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้สมองของตอนเองปันป่วนจะทำให้ตัวเองขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจะงดเว้นในการเสพหของมึนเมาเนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหลา่าลูกหลานทุกคนนะถ้าปฏิบัติตนอย่างนี้ได้แล้วหลวงพ่ อ, อมั่นใจกับลูกกับหลานกับข้ารัศัาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหลา่าที่อยู่เป็นลูกหลานของหลวงพ่อจะได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นถุกท่วนหน้ากันละกับพร้อมกัน เ, เรื่องยาเสพติดทั้งหลายทุกวันนี้พวกยาบ้ายาบ้ายา마เนี่ย หลงพอเองก็ได้ยินทุกหมูเ่เหล่าแต่ถึงยังไงก็จะให้มากล่ำกลายในเขตของเราให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาทาาว่าพวกเราเห็นแต่เงินแก่ทองเห็นแก่เศษตังค์นิดๆห น, น่อยๆเพราะวันได้ง่ายได้เงินมาง่ายนี่แหละคำว่าง่ายคำนี้แหละต่อไปภายภาคหน้าตัวเองจะได้ร้องห่มร้องให้กับสิ่งที่มันง่ายๆเหล่านั้นต่อไปลูกของเราหลานของเรา ติดยาเสพติดเขามาแล้วเป็นยังไงมีความรู้สึกอย่างไรสมัยก่อนเมื่อเราขายให้คนอื่นเขาเขาติดยาเสพติดเราก็มีแต่ฮะป้อนยาให้เขาเพื่อเขาหาเงินมาซื้ อ, อยาเราแต่ความทุกข์ในใจนั้นเราไม่ได้คิดว่าพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานของเขาเหล่านั้นเขาทุกข์ขนาดไหนเราไม่ได้คิดแต่มาเจอกับตัวของเราเองเราจะสานึกได้ แต่ก็มันก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินทำคําสอนของหลวงพ่อบอกกล่าวนี่นะหลวงพ่อรักชุมชนนะรักลูกนักักหลานนะรักวงศาคนาญาตนะรักญาติรักโยมนะหลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นมีเจตนาอยากจะให้ชุมชนของพวกเราสงบร่อมเย็นเป็นสุขผู้ใดก็ตามพี่น้องลูกหลานใครก็ตามถ้ามีลักษณะอย่า ง, งานั้นขอให้ กล่าวเตือนกันะอคล้ายว่าให้สํานึกไว้นะอทา้งเราทํากรรมถ้าเราทรรํ า, าทสิ่งที่ไม่ดีไว้สิ่งที่ไม่ดีนั่นนะจะมาหาพวกเรานะกรรมมุนฑนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทําถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งไหนในเรื่องอะไรกรรมนั้นจะตามสนองเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนานที พวกเราจะได้มาพบมาเจอหลวงพ่ออย่างวันนี้มาทำบุญวันเกิดวันนี้นวันนี้เป็นวันที่10นะอีกวันที่13อ่เป็นวันสงกรานต์ปีพุทธศักราช2557นะันอสะอีกไม่กี่วันแต่ทิ้งยังไงขอบอกข่าวย้ำเตือนพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็มอตอรสงมอเตอร์ไซค์ถึงจะไม่ถูกใจลูกๆ ก, ก็ขอให้เตือนๆไว้กว็ดี เนี่พเหตุไรเพราะว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นล่ะขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันไปชนไปทำอะไร อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนั่นะหอะทางว่าพ่อแม่ไม่ย้ำไม่เตือนลูกหลานของตนเองปล่อยปละละเลยก็ทาให้ถ้ามันเสีย เ, เกิดปัญหาขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจะเสียใจทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งทีมจะช่วยอะไรได้ เพราเหตุไรพอเราไม่ช่วยกันเตือนกล่าวเตือนแต่ที่แรกพราะลูกหลานก็เหมือนกันนั่นะตัวเด็กตัวเด็กตัวเล็กที่ในฟังคำเสียงหลงตาบกล่าวสอนให้คิดนะอย่าไปโมโหให้หลงตาไม่ได้นะถ้าหากว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปสลับตรงข้างถนนหัวนอกพื้นจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายโตโตเต๋เต๋เท่นี่ยเป็นบ้าก็ไม่เชิงดีก็ไม่เชิง พอเขาพูดตลกดีๆเนี่ยผลที่สุดก็ชั่วตนเองก็ไม่ได้ต่างหากขาหากักแขนหกักบางทีตัดแข้งตัดขาอีกต่างหากแล้วเป็นยังไงเป็นภาระของใครอันดับแรกเนะ่เป็นภาระของตนเองเพราะนั้นเราเกิดมาทั้งทีชีวิตต้องรักษาสุขภาพตัวเองจะให้ใครมารักษาชีวิตของเรา ส, สุขภาพของเรายิ่งกว่าตัวของเราถ้าเราไม่รักเราแล้วใครจะรักเรา จะให้คนอื่นรักเรายิ่งกว่าตัวของเรานั้นอันนั้นแปลว่าคิดไม่ดีเสียแล้วอทําไม่ดีเสียแล้วเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคูดทุกคนนที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นเป็นแนวความคิดให้พวกหลานลูกหลานคณะจต่าญาติโยมทั้งหลายให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดถ้าคิดดีแล้วนะต้องระมัดระวังอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะสงกรานเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ออกไปข้างนอกนะพยายามอยู่ในวัด เพรเหตุไรเพระหลวงพ่อกลัวเอถ้าหาว่าเขาออกไปเนเขาสาดน้ําใส่เข้าไปบางทีเด็กทล้ําเข้ามามุดล้อรถหลวลงพ่อถ้าหลวงพ่อไปเหยียบเขาเข้าไปยังไงตายเลยเด็กเอยไปเหยียบลูกเยียบหลานเขาเข้าเลยทายัางไงเออก็รู้ๆอยู่แล้วเขาสนุกสนานเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆหลวงพ่อจะไม่ออกจากวัดนะเอจะอยู่ในวัดเออกอยู่ในวัดกค่นี้แหละ บอกลูกบอกหลานคล้ า, ายๆกว่าลูกหลานก็มาหาเออลูกหลานเออจำรวมจำรวมระวังนะเนอออย่าไปสนุกสนานจนลืมตัวเกินไปเนอะอย่าไปกินเหล้าเนะแต่กินเหล้าเข้าไปแล้วนะขับรถนะ่ะเด็กคนมันเยอะเดี๋ยวชนหน้าชนหลังอชนคู่ชนคนนะการเล่นน้ํำก็เหมือนกันให้ระมัดระวังอ อ, อย่าให้เลยเถิดเอ อ, อย่าให้ทําอะไรออจน ถึงเขาเขาตำหนิจนถึงเขาจับเข้าคุกเขาตารางเอาไปเข้าห้องขังมันไม่ดีนะลูกหลานเนอให้สัมรวมระวังหน่อยเนอทีเขาทีเราเอเขามีพี่มีน้องมีลูกมีหลานเราของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละหลวงพ่ อ, ะพอจะพยายามบอกกล่าวเมื่อสัตธาญาติยงเข้ามาเกี่ยวข้องนะต่ อ, ตอ น, นี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเนอะเมื่อให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราออกไปศาลานอกนะแล้วก็เอาครูบาจะออกไปกี่องค์ก็สุดแท้แต่ธนธนตจะจัดจัดไปให้มากแล้วนะแต่เฝ้าศาลาก็มีนะจัดไปให้มากไปหลายองค์เพื่อจะได้สวดอิติปิโสพร้อมๆกันในศาลาใหญ่ส่งน้ําพระพุทธปฏิมาแล้วก็พระอ克拉สาวกพระสาวกคนะ่ะจากนั้นก็เราจะได้ก่าวสัมมาคารวะ คารวะพระรัตนตรัยรัตนตรัยเยปมาเทนะนะคงจะใช้เวลาไม่นานคงจะเสร็จเพราะว่าทางอำเภอเขาก็มีภารกิจธุรกิจทางอำเภอเหมือนกั น, นเพราะนั้นพวกเราคงจะไม่ทำเวลาอะไรให้ยืดเยอะในวันนี้นะ